สร้างเอออาหลลกนนในตัวตนตนเรียมเสบียงไว้เลี้ยงตัวโดวยดังตริงด้วยแรงขยานลวงตามายาให้หลักแหล่งพักทิ้งแอบเร้นจนดับดินฟ้าเปลี่ยนแปลงรับลายถาม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 ได้เสียยิ่งกว่าท้องหิวข้าวเมื่อใดเห็นความหิวชัด ๆ, ๆก็ให้ถามตัวเองเมื่อนั้นว่ากำลังคิดอะไรอยู่ไม่ว่าคุณจะคิดอะไรก็ตามขอให้ระหนักว่าความคิดนั้นผิดเพราะไม่ทำให้ใจอิ่มเอาแต่หิวโหวยแห้งแลง้งจะจำไว้สั้นๆเพื่อง่ายต่อการระลึกก็ได้ครับถ้ายังทุกข์หนักไม่เลิกแสดงว่าที่ผ่านมาคิดผิดหมด คิดให้ถูกคิดให้ไม่ต้องทุกข์หนักคิดให้ใจสงบสุขเป็นอย่างไรลองจำแนกเป็นข้อๆกันดูทดลองได้เดี๋ยวนี้เลยว่าคิดแล้วสุขจริงไหม 1. คิดให้ไม่ใช่คิดเอาอาการคิดเอานั้นเหมือนโรคร้ายที่ต้องซากซึมเข้าสู่จิตใจทุกคนอย่างไรก็ต้องคิดเอาวันยังค่ำถ้ายังอยากอยู่รอด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 การคิดให้นั้นเหมือนยารักษาโรคประเภทแก้ปวดแก้ไข้ตามสภาพถ้าคุณไม่ให้ยาเลยก็จะปวดหัวตัวร้อนคาราคาซังหรือรังไม่หายและถ้าคุณให้ยาน้อยไปหรือให้ไม่ต่อเนื่องการรักษาก็อาจไม่ได้ผลหรือได้ผลน้อยเสียจนไม่น่าศรัทธาการคิดให้เป็นเรื่องต้องฝึกมีทั้งมือใหม่และมือเซียนมือใหม่คิดให้นั้นจะฝืดฝืน เหมือนต้องออกแรงสู้กับยางเหนียวที่เกาะใจเนอหนะัะแม้แต่เหรียญ1ิ บ, บาทก็หนักอึ้งคร้านที่จะล้วงกระเป๋าเอามาบริจาคคนตกทุกข์ได้ยากส่วนมือเสียนคิดให้นั้นง่ายมากไม่เสียดายเลยกับการเอาเงินไปช่วยหรือกระทั่งเอาตัวไปเสี่ยงยามใครเดือดร้อนผมมีสูตรสำเร็จอยู่สูตรหนึ่งถ้าคุณมีส่วนที่เกินพอเกินใช้สักสิบบาทและเอาสิบบาทนั้นไปทาประโยชน์ให้คนอื่น 10 บ, บาทนั้นจะทําหน้าที่เกินคุ้มคือสนองคืนกลับมาในรูปความสุขเกินราคาจริงของมันแต่ตรงข้ามหากคุณดองเงินส่วนเกินสิบบาทนั้นไว้เฉยๆมันจะทําหน้าที่อีกแบบหนึง่งคือกลายเป็นสิ่งหมักหมมเป็นขยะเป็นพิษทางใจให้คุณอยากมีมากขึ้นเป็นร้อยคือสิเท่าของจํานวนเดิมคุณคงนึกออกนะครับการลงทุนประเภทฝากเงินได้ดอกเบี้ย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 แต่การทำบุญแบบเศรษฐีที่ยังขาดความเข้าใจนั้นมักหมายถึงการทุ่มเงินจำนวนมากในโอกาสที่สำคัญหรือหลายครั้งเป็นเรื่องของหน้าตามีประจักษ์พยานรู้เห็นมากมายการทำบุญแบบซื้อความสบายใจอย่างแท้จริงนั้นจำนวนเงินไม่ใช่ประเด็นแต่ประโยชน์สุขอันสมบูร็จแก่ผู้อื่นต่างหากที่ใช่หากคุณทำบุญเพื่อความสบายใจได้ถีที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 ถ้าคุณซื้อรถสปอร์ตมาขับเล่นคันละ30ล้านเป็นตังหากจากคันใช้ไปทํางานจริงนั่นแปลว่าคุณรวยแบบหมดกังขาเพราะ30ล้านต้องเป็นแค่เศษเงินโลกนี้มีของเล่นราคา30ล้านก็เพราะมีคนรวยระดับเห็น30ล้านเป็นเศษเงินนั่นเองไม่ใช่ความผิดอะไรเป็นเรื่องที่บุญเก่าบุญใหม่อนุญาตให้สมอยาก